คุณลักษณะของพระเจ้ามหาวิชิตราชแปดอย่างพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยคุณลักษณะแปดอย่างคือ 1. ทรงมีพระชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนีคือถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 2. ทรงมีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใส มีพระชวีวันผุดพองยิ่งนักดุจพรมมีพระวรกายดุจพรมโอกาสที่จะพบเห็นยากนัก 3. ทรงเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีพืชพันธัญญาหารเต็มท้องพระคลัง 4. ทรงมีกองทหารที่เข้มแข็งประกอบด้วยกองทัพสี่เหล่าอยู่ในระเบียบวินัยคอยรับพระบัญชามีพระบรมเดชาุภาพดังจะเผาพลานฆ่าศึกได้ ด้วยพระราชอิสริยยศ 5. ทรงมีพระราชศรทัทธาทรงเป็นทายกทรงเป็นทานบดีไม่ได้ทรงปิดประตูทรงเป็นดุจรงทานของสมณพราหมณ์คนกำพรา้าคนเดินทางวันิพกและยาจกทรงบำเพ็ญพระราชากุศลอยู่หนึ่งเนืองห 6. ทรงรู้เรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้นๆไว้มาก 7. ทรงทราบความหมายแห่งภาสิทธิ์ที่ได้ทรงศึกษานั้นว่านี้คือจุดมุ่งหมายแห่งภาสิทธินี้แปทรงเป็นบัณฑิตมีพระปีชาสามารถดำริเรื่องราวในอดีตอนาคตและปัจจุบันได้พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยคุณลักษณะ8อย่างดังกล่าวนี้ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแห่งยันนั้นโดยแท้ คุณลักษณะของพรามปุโรหิตสอย่างพรามปุโรหิตประกอบด้วยคุณลักษณะ4อย่างคือ 1. เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 2. เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสต์เกตุพาสาสตร์ อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยายกรชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษ 3. เป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญ 4. เป็นบัณฑิตมีปัญญาเฉียบแหลมลำดับที่หนึ่งหรือที่สองในบรรดาพรามผู้รับการบูชาพรามปุโรหิตประกอบด้วยคุณลักษณะ4อย่างดังกล่าวนี้ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแห่งยันนั้นโดยแท้ยันพิธีสประการลำดับนั้นพรามปุโรหิตแสดงยันพิธีสประการถวายแด่พระเจ้ามหาวิชิตราชก่อนจะทรงบูชายันว่า 1. เมื่อพระองค์ปรารถนาจะทรงบูชามหาญันก็ไม่ควรทำความเดือดร้อนพระไทยว่ากองพภกสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราจากสิ้นเปลือง 2. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันอยู่ก็ไม่ควรทำความเดือดร้อนพระไทยว่ากองโภกสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเรากาลังสิ้นเปลืองไป 3. าเมื่อพระองค์ทรงบูชามหายันแล้วก็ไม่ควรทำความเดือดร้อนพระไทัยว่า กองพวกสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราได้สิ้นเปลืองไปแล้วพรามปูโรหิตแสดงยันพิธีสามประการดังกล่าวนี้ถวายแด่พระเจ้ามหาวิชิตราชก่อนจะทรงบูชายัน พราปุโรหิตกราบทูลถวายคำแนะนำส1บอย่างก่อนจะทรงบูชายันลำดับนั้นพรามปุโรหิตขจัดความเดือดร้อนพระไทยของพระเจ้ามหาวิชิตราชเพราะผู้รับทานด้วยอาการสิบอย่างก่อนจะทรงบูชายันคือ 1. ทั้งพวกที่ฆ่าสัตว์ทั้งพวกที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์จกพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่ฆ่าสัตว์ จากได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 2. ทั้งพวกที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ทั้งพวกที่เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จกพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์ บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จกได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระไทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 3. ทั้งพวกที่ประพฤติผิดในกาม ทั้งพวกที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรรมจกพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่ประพฤติผิดในกรรมจกได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรรมเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 4. ทั้งพวกที่กล่าวคำเท็จทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเท็จจกพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่กล่าวคำเท็จจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเท็จเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิดห ทั้งพวกที่กล่าวคำส่อเสียดทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำส่อเสียดจากพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่กล่าวคำส่อเสียดจากได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาจากการกล่าวคำส่อเสียดเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิด ทั้งพวกที่กล่าวคำหยาบทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบจากพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่กล่าวคำหยาบจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทยให้เลื่อมใสในภายในเธอ 7. ทั้งพวกที่กล่าวคำเพ้อเจอ้อทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเพ้อเจอ้อจกพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่กล่าวคำเพ้อเจอ้อจกได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเพ้อเจ้อเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทาพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด แทั้งพวกที่เพ่งเลงอยากได้ของเขาทั้งพวกที่ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขาจากพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่เพ่งเลงอยากได้ของเขาจกได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขาเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด ทั้งพวกที่มีจิตพยาบาททั้งพวกที่ไม่มีจิตพยาบาทจากพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่มีจิตพยาบาทจากได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่ไม่มีจิตพยาบาทเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทงรงทรพระทยให้เลื่อมใสในภายในเถิดสิบ ทั้งพวกที่เป็นมิจฉาทิฐิทั้งพวกที่เป็นสัมมาทิฐิจกพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่เป็นมิจฉาทิฐิจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เป็นสัมมาทิฐิเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด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 พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชายั์ด้วยอาการ16อย่างต่อมาพรามปุโรหิตได้กราบทูลชี้แจงให้เห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติแล้วพระไทยของพระเจ้ามหาวิชิตราชผู้จะทรงบูชามหาญาณให้อาถารแกล้วกลาปลอบฉลมพระไทยให้สดชื่นร่าเริงด้วยอาการ16อย่างคือ 1. เมื่อพระองค์กาลังทรงบูชามหาญาใครๆจะกล่าวว่า พระเจ้ามหาวิจิตรราชทรงบูชามหาญันโดยไม่รับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทมาปรึกษาทรงบูชามหาญาณเห็นปานนั้นเป็นส่วนพระองค์แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ได้รับสั่งให้เชิญเจ้าครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทมาปรึกษาแล้วโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชา ทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 2. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตรราชทรงบูชามหายันโดยไม่รับสั่งให้เชิญอามาต ร, ราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทมาปรึกษาทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นเป็นส่วนพระองค์แม้เพราะเหตุนี้ ก็ไม่มีใครตําหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ได้รับสั่งให้เชิญอามาตะราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทมาปรึกษาแล้วโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทรําพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 3. เมื่อพระองค์กําลังทรงบูชามาหาญันใครๆจะกล่าวว่า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 ขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุมโมทนาและทรงทำพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 4. เมื่อพระองค์กําลังทรงบูชามหาญาณใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิจิตรระทรงบูชามหายันโดยไม่รับสั่งให้เชิญข้าพดีผู้มั่งคัง่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทมาปรึกษาทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นเป็นส่วนพระองค์แม้เพราะเหตุนี้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 พระเจ้ามหาวิชิตราทรงบูชามหายันโดยที่พระองค์ไม่ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีพระชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนีไม่ทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษเป็นผู้ที่จะถูกคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลว่าถึงกระนั้นก็ยังทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตาหนิพระองค์ได้โดยธรรม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 เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันโดยที่พระองค์มีพระรูปไม่งดงามไม่น่าดูไม่น่าเลื่อมใสพระชวีวันไม่ผุดพองดุจพรมไม่มีพระวรกายดุจพรมโอกาสที่จะพบเห็นไม่ยากเลยถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายานเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้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 เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราทรงบูชามหายันโดยที่พระองค์ไม่ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีพืชพันธัญญาหารเต็มท้องพระคลังถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มั่งคัง่ง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 ประกอบด้วยกองทัพสี่เหล่าอยู่ในระเบียบวินยัยคอยรับพระบัญชาไม่ทรงมีพระบรมเดชานุภาพดังว่าจะเผาพรานฆ่าศึกได้ด้วยพระราชอิสริยยศถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามาหาญาเห็นปานนั้นอยู่เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงมีกองทหารที่เข้มแข็งประกอบด้วยกองทัพสี่เหล่าอยู่ในระเบียบวินยัย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 เพราะพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาทรงเป็นทายกทรงเป็นทานะปฎีไม่ได้ทรงปิดประตูทรงเป็นดุโรงทานของสมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวันิพกและยาจกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอยู่หนึ่งเนืองโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 10. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหาญันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัณโดยที่พระองค์ไม่ทรงรู้เรื่องราวที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้นๆไว้มากถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตาหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงรู้เรื่องราวที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้นๆไวมาก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 ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตาหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงทราบความหมายแห่งภาสิทธิ์ที่ได้ทรงศึกษานั้นว่านี้คือจุดมุ่งหมายแห่งภาสิทธนินี้นี้โปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนโมธนาและทรงทรรมพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิด สิบสองเมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตระทรงบูชามหายันโดยที่พระองค์ไม่ทรงเป็นบัณฑิตไม่ทรงเฉียบแหลมไม่ทรงมีพระปีชาสามารถไม่สามารถจะทรงดำริอัตถะที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหาญาณเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตาหนิพระองค์ได้โดยธรรม เพราะพระองค์ทรงเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมทรงมีพระปีชาสามารถทรงสามารถที่จะดำริอัตทะที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้โปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 13. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหาญันใครๆจะกล่าวว่า พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันแต่พราหมุโรหิตของพระองค์ไม่ใช่เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาไม่ใช่ผู้ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษเป็นผู้ที่ถูกคัดค้านตำหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัณเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตาหนิพระองค์ได้โดยธรรม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 ใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราทรงบูชามหายญาณแต่พราหมณปุโรหิตของพระองค์ไม่ใช่ผู้คงแก่เรียนไม่ทรงจำมนไม่รู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เตโตพศาสตร์อักษ ร, รศาสตร์และประวัติศาสตร์ไม่ใช่ผู้รู้ตัวบทและไวยากรณ์ไม่ใช่ผู้ชำนาญโลกายตะาศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษถึงกระนั้น พระองค์ก็ยังทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบตรเพศพร้อมทางนิคันทุศาสตร์เกตตพสาสตร์อักษ ร, รศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและวยายกรชำนาญโลกายัตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษโปรทรงทราบตามนี้เถิด ขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำรรพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 15. ห้เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตระทรงบูชามหายันแต่พรามปุโรหิต ข, ของพระองค์ไม่ใช่ผู้มีศีลไม่มีศีลที่เจริญไม่ประกอบด้วยศีลที่เจริญถึงกระนั้น พระองค์ก็ยังทรงบูชามาหายัานเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพรามปุโรหิตของพระองค์เป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทยให้เลื่อมใสในภายในเถิดห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 เป็นผู้เฉลียวฉลาดมีปัญญาลำดับที่หนึ่งหรือที่สองในบรรดาพรามผู้รับการบูชาโปรโทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิดพรามปุโรหิตได้กราบทูลชี้แจงให้เห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติแล้วพระไทของพระเจ้ามหาวิชิตราช ผู้จะทรงบูชามหายันให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมพระไทยให้สดชื่นร่าเริงด้วยอาการ16อย่างเหล่านี้แลในยันนั้นไม่ต้องฆ่าโคแพะแกะไก่สุกรและสัตว์นานาชนิดไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำหลักบูชายันไม่ต้องเกี่ยวยญกาคาเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นแม้เหล่าชนที่เป็นทาสคนรับใช้กรรมกรของพระเจ้ามหาวิชิตราช ก็ไม่ถูกลงอาชญาไม่มีภัยคุกคามไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายทำบริกรรมแท้จริงคนที่ปรารถนาจะทำจึงได้ทำที่ไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำทำแต่สิ่งที่ปรารถนาเท่านั้นสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องทำยันพิธีนั้นสำเร็จลงเพียงเพราะเนยใส น, น, น้ํามันเนยข้นนมเปรี้ยวน้าผึ้งและน้าอ้อยเท่านั้น ต่อมาพวกเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพวกอมาต ร, ราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพวกพราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพวกข้าดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพากันนําทรัพย์จํานวนมากเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาวิชิตรราชกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้นําทรัพย์จํานวนมากนี้มาเพื่อพระองค์ ขอพระองค์ทรงรับไว้เถิดเท้าเธอตรัสว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญทั้งหลายเราเองได้รวบรวมทรัพย์สินจำนวนมากมาจากภาษีอากรอันชอบธรรมทรัพย์ที่พวกท่านนำมาก็จงเป็นของพวกท่านเถิดและพวกท่านจงนำทรัพย์จากที่นี่ไปเพิ่มอีกคนเหล่านั้นเมื่อถูกปฏิเสธจึงจากไปปรึกษาหาเรือกันว่าการที่พวกเราจะรับทรัพย์สินเหล่านี้ กลับคืนไปยังบ้านเมืองของตนอีกนั้นไม่เป็นการสมควรเลยพระเจ้ามหาวิชิตราชกำลังทรงบูชามหายันเอาเถอะพวกเราจะร่วมบูชายันโดยเสด็จพระราชกุศลกันเถิดต่อมาพวกเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริ่มบำเพ็ญทานทางทิตะวันออกแห่งหลุมยันพวกอํมมา ร, ราชบริพานที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบท เริ่มบําเพินทานทางทิศใต้แห่งหลุมยันพวกพราหมหาศารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริ่มบําเพินทานทางทิศตะวันตกแห่งหลุมยันพวกข้าบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริ่มบําเพินทานทางทิศเหนือแห่งหลุมยันแม้ในยันของเจ้าผู้ครองเมืองเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่ต้องฆ่าโคแพะแกะไก่สุกรและสัตว์นาณาชนิด ไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำหลักบูชายันไม่ต้องเกี่ยวย่าคาเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นแม้เหล่าชนที่เป็นทาสคนรับใช้กรรมกรของเจ้าผู้ครองเมืองเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่ถูกลงอาชญาไม่มีภัยคุกขามไม่ต้องร้องไห้ฟูมฝ่ายทำบริกรรมแท้จริงคนที่ปรารถนาจะทำจึงได้ทำที่ไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำทำแต่สิ่งที่ปรารถนาเท่านั้น สิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องทำยันพิธีนั้นสำเร็จลงเพียงเพราะเนยใสยน้ำมันเนยข้นนมเปรี้ยวน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเท่านั้นบุคคลสี่กเห็นชอบตามพระราชดำริพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยคุณลักษณะ8อย่างพรามปุโรหิตประกอบด้วยคุณสมบัติสอย่างและยันพิธีอีกสามประการจึงรวมเรียกว่า ยันสมบัติสามประการมีองค์ประกอบ16เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พวกพรามได้ส่งเสียงอื้ออึงว่าโอยันโอยันสมบัติส่วนพรามกูตะทันตะนั่งนิ่งทันใดนั้นพวกพรามได้ถามพรามกูตะทันตะว่าเหตุใดท่านกูตทันตะจึงไม่ชื่นชมสุภาษิตของพระสมณะโคดมว่าเป็นคำกล่าวถูกต้องเล่า พรามกูตะทันตะตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าจะไม่ชื่นชมสุภาษิตของพระสมณโคดมว่าเป็นคำกล่าวถูกต้องก็หาไม่แม้ผู้ไม่ชื่นชมสุภาษิตของพระสมณโคดมว่าเป็นคำกล่าวถูกต้องศีรษะของเขาจะแตกถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมไม่ได้ตรัสอย่างนี้ว่าเราได้สดับมาอย่างนี้หรือว่า เรื่องนี้ควรเป็นอย่างนี้แต่พระองค์ตรัสว่าเหตุอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในการนั้นเรื่องเช่นนี้ได้มีแล้วในการนั้นเขาไเจ้าคิดว่าพระสมณะโคโดมทรงเป็นพระเจ้ามหาวิชิตราชผู้เป็นเจ้าของยันในครั้งนู้นเสียเองหรือพระองค์ทรงเป็นพรามปโรหิตผู้อำนวยการบูชายันนั้นแน่นอนทูลถามว่าท่านพระโคโดม ย่อมทรงทราบแจ้งชัดหรือว่าผู้บูชายันหรือผู้อำนวยการบูชายันเห็นปานนั้นหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามเรารู้แจ้งชัดว่าผู้บูชายันหรือผู้อำนวยการบูชายันเห็นปานนั้นหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์สมัยนั้นเราได้เกิดเป็นพรามปุโรหิต ผู้อำนวยการบูชายันนั้นยันที่สืบตระกูลกันมาคือนิตยธทานพรามกูตทันตะทูลถามว่าท่านพระโคโดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ ที่ใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพภาระนิสง์มากกว่ายันสมบัติสมประการมีองค์ประกอบ16นี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พราหมณ์เขาทูลถามว่าท่านพระโคโดมยันนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์นิตยธทานที่ทําสืบกันมาถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีล น, นี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์ และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสง์มากกว่ายันสมบัติสประการมีองค์ประกอบ16นี้เขาทูลถามว่าท่านพระโคโดมอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยให้นิยตยทานที่ทําสืบกันมาถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีลใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสง์มากกว่ายันสมบัติสประการมีองค์ประกอบ16นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามพระอรหันต์หรือท่านที่บรรลุอรหัตตมักย่อมไม่เข้าไปสู่ยันเช่นนั้นเพราะในยันนั้นยังปรากฏว่ามีการประหารด้วยท่อนไม้บ้างจับคอแลกไปบ้างฉะนั้นพระอรหันต์หรือท่านที่บรรลุอรหัตตมักจึงไม่เข้าไปสู่ยันเช่นนั้นส่วนนิตยทานที่ทาสืบกันมา ถวายเจาะจงบรรปะชิตผู้มีศีนนั้นพระอระหันต์หรือท่านที่บรรลุอรหัตมัคจึงเข้าไปสู่ยันตเช่นนี้ได้เพราะในยันนั้นไม่ปรากฏว่ามีการประหารด้วยท่อนไม้บ้างจับคอลากไปบ้างฉะนั้นพระอระหันต์หรือท่านที่บรรลุอรหัตมักจึงเข้าไปสู่ยันเช่นนี้นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นิยธิทานที่ทําสืบกันมานั้น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 มีอยู่พรามเขาทูลถามว่าท่านพระโคโดมยันนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ายันของบุคคลผู้สร้างวิหารอุทิพระสงฆ์ผู้มาจากทิศ ท, ทั้งสีนี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพาาณิสง์มากกว่ายันสมบัติสมประการมีองค์ประกอบ16และกว่านิตยทานที่ทาสืบกันมานี้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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ายันของบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะนี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสง์มากกว่ายันสมบัติสามประการมีองค์ประกอบ16กว่านิยตยทานที่ทําสื่อกันมาและกว่าวิหารทานนี้